3. เฉทนากาธิว่าด้วยเฉทนกะสิกขาบทเป็นต้นทรงพยากรเฉทนกะสิกขาบทและเพทนกะสิกขาบทเป็นต้น337ิ33พระอุบาลีกราบทูลว่าสิกขาบทว่าด้วยการตัดมีเท่าไหร่สิกขาบทว่าด้วยการทำลายมีเท่าไหร่ สิกขาบทว่าด้วยการหรือมีเท่าไรสิกขาบทในปาจิตตีว่าด้วยไม่มีอะไรอื่นมีเท่าไรสิกขาบทว่าด้วยการสมมติภิกษุมีเท่าไรสิกขาบทว่าด้วยการทมที่สมควรมีเท่าไรสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีเท่าไรสิกขาบท ที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ทรงบัญญัติว่ารู้อยู่มีเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิกขาบทว่าด้วยการตัดมีหสิกขาบทว่าด้วยการทาลายมีหนึ่งสิกขาบทว่าด้วยการรื้อมีหนึ่งสิกขาบทในปาจิตตี ว่าด้วยไม่มีอะไรอื่นมีสีสิกขาบทว่าด้วยการสมมุติภิกษุมีสีสิกขาบทว่าด้วยการกระทําที่สมควรมีเจ็สิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี14บสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ทรงบัญญัติว่ารู้อยู่มีสิห สิขาบท